Book two. สิบสี่ชุด o ูช o ดดูสีรองรองหิมะสีขาวบ a รวฟชัดดาบ a รวฟดา พระอาทิตย์สีเหลืองชูร์จูฮอลุดชูร์จูฮอลุดส้มสีส้มกอมลาเลบุกอมลากอมุลาเลบุกอมุลาเชอรี่สีแดงเชรีลลเชรีลล ท้องฟ้าสีฟ้าอากาศนีลอากาศนีลหญ้าสีเขียวหญ้าสีชขียวดินสีน้ำตาลมาติบาดามีมาติบาดามี เมฆสีเทาเมฆดุษฎเมฆดุษฎยางรถสีดํไดร์ र วาลูไร์าลูหิมะมีสีอะไรสีขาวบ่อรูปหรัญีธาดา บอโรเฟรอนคีชาดาพระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลืองชเจร์รงคีโฮเจร์รองคีโลูตส้มมีสีอะไรสีส้มกมลเลบูร์รองคีกมลากอมลเลบูร รอนกี้กอมุล่าเชรี ki, ่มีสีอะไรสีแดงเชอรี่รอนกี้ลัลเชอรี่รอนกีลัท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้าอากาเชร์รี้อากชรอี นี่หญ้ามีสีอะไรสีเขียวกาเชร์รอกีชบูจกาเชร์รอกีชมบูจดินมีสีอะไรสีน้ำตาลมาทีรอนกีบาดามีมารกีบาดามี เมฆมีสีอะไรสีเทาเมฆ र รงกีดุษฎเมฆเรยงกีดุษฎยางรถมีสีอะไรสีดํายเรีงกีาลูเรงกีกาลู